ในวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยาห้าสามสองสามวันที่ผ่านมารู้สึกบวบาพิทุกังวลเหมือนกันน้ำป่ามันไหลหลับุดกำแพงของเราให้พระช่วยกันไปดูมาสองสามวันนะพระเดินรอบวัดเพรางั้นพอน้ำุดกำแพงแล้วก็น้ำมันไหลในท่อไม่ทัน ช่วยๆกันดูยังแก้ไขยังไม่จบไปเห็นพี่น้องชาวบ้านเมื่อวานหลวงพ่อออกไปทำธุระแถบอำเภอบ้านผือศีเชียงใหม่ท่าบ่อน้ามสมรู้สึกโวมองเห็นท้องนาแล้วก็สงสารพี่น้องประชาชนพอเห็นเป็นทะเลสาบแต่งไปหมดเลยฟังรู้ว่าทะเลสาบมองสุดลูกหูลูกตา น้ำท่วมทองไรทองนานี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นทุกข์ของชาวนาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินผลที่สุดก็ยังอยู่ใต้ท้องฟ้าอีกถ้าแรงก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าน้าท่วมก็มีความคิดเสียใจอีกอย่างหนึ่งเพราะน้าท่วมให้คำว่าหมดอะไรตายอยากทำงานแต่ละปี ก็่าจะได้เข้ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงขอบเลี้ยงครัวเขาเห็นแล้วก็โอ้เราก็มองเห็นแล้วก็สงสารสงสารชาวนานะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเราก็อยู่ใต้ฟ้าเหมือนกันสรุปแล้ว ย, ย่า ม, มาเกิดท่า น, นะท่นเถ้ามาเกิดก็ต้องได้เจออย่างนี้จะทำยังไงจึงไม่มาเกิดนะอย่างคุณแม่พูดนะ่ะ โอ้คุณนั่นเป็นไงคุณนี้นเป็นอย่างนั้นทุกข์เหลือเกินคุณไม่ชีแก้วราะว่าตัวห่างเกิดแค่ว่าตัวหัางเกิดเนี่ยถ้าเราชำละใจถ้าไม่มาเกิดซะสิ่งที่ประสบพบเห็นั น, นก็จะไม่มีถ้าเราเกิดมาไม่พบอะไรก็ต้องชาติหนึ่งแะจะต้องเจออย่างนี้บางทีอาจจะหนักกว่านี้ก็ก็ไม่แน่บางพบบางชาต เกิดศึกสงครามฆ่าฟันลันแทงกันอย่างไม่ปราณีก็มีบางรังบางยกแต่บางยกก็เออเกิดมาแล้วก็ได้ทำบุญทาทานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวเนี้เกิดมาแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ทำบุญทาทานถึงจะยากจนไม่มีเงินใช้แต่ก็ไม่ถึงกะโอดอยาก มีอยู่มีกินมีใช้มีส้อยเป็นพอประทังชีวิตของพวกเราจะกจากันกเกื้อกูลหนุนกันช่วยเหลือเจือจานกันเพราะพวกเราปฏิบัติธรรมอย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็อยู่กับลูกกับหลานกับญาติกับโยนบินทำบาทก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนพอเป็นพอไปพออยู่พอฉัน ที้จิตจะต้องได้ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่อั ต, ตคัดไม่ลำบากในปัจจัยสี่แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็เจอเหมือนกันนะเจอที่ท่านไปจำบรรษาอยู่ที่เมืองเวรัญชาช่ ที่ว่าข้าวยากหมากแพงจำพรรษาในพรรษาจนได้ได้กินอาหารข้าวเลี้ยงม้าเพางั้นข้าวเลี้ยงม้าในเขาคงใช้ข้าวแข็งที่เขาคนไม่กินแล้วออกมาก็พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งห้าร้อยได้กินข้าวเลี้ยงม้ากับพวกพ่อค้าม้าข่าวนั้นเป็นข่าวที่ลำบากในปัจจัยสี่ของพระพุทธองค์ตามประวัติ ที่พระพุทธองค์ประกาศภาษาธนาถึง45พันษานพันษานั้นเป็นพันษาที่กันดารที่สุดจากนั่นก็พาสงฆ์ทั้งหลายองบ่อยๆนที่ดูในพระไตรปิฎกแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการเป็นอยู่เท่าไหร่แต่พอได้ศึกษาธรรมะ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหลือท่านก่อนต้องอบตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานง่ายๆท่านก็นั่นแหละบำเพ็ญอย่างเต็มที่ของใครของเราสรุปแล้วก็คือเบื่อในการเกิดไม่อยากจะมาเกิดอีกถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น พระด้านท่านจึงมำเพ็นแต่พวกเราเนี่ยตรงข้ามเหมือนกับมดแดงกัดเด็กอย่างนั้นนะมดแดงไฟกัดเด็กนยพอมันกัดขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้เล็ขยับไปน้อยนึงมดแดงก็ไล่กัดอีกขยับไปน้อยนึงอย่างงั้นอ่ะพวกเรานะค้ายๆผมมันไม่เบื่อจริงไม่เบื่อในโลกจริงมันยังมองว่ามีความสุขจุดใดจุดหนึ่งอยู่ มันไม่เบื่อเบื่อเบื่ออยากอยากเพางั้นแหะมันไม่เบื่อหนายถ้าเบื่อหนายคลายแล้วก็หลุดพน้นนั่นคือพระอริยะเจ้าที่ท่านเบื่อหนายคลายมายึดมั่นถือมั่นแล้วก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันเบื่อแต่มันไม่เบื่อจริงไงเบือ่อเบื่ออากอากมันก็เลยลําบากอ ย, าอย่างทุกวันนี้นะพวกเราเกิดมาเดี๋ยวก็พบหน้าชาหน้าก็เกิดอีก พอเกิดขึ้นมาก็มาเจออย่างนี้อีกมาเจอแล้วก็บนอีกบ่นแล้วก็ตายไปอีกเกิดมาอีกบ่นอีกเพราะเหตุไรเพราะเรายังไม่ได้ค้นคว้าศึกษาหาต้นต่อต้นต่อแห่งความเกิดนั่งอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอาวิชชาปัจญญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัญยาวิญญาณังปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าค้นคว้ามันมาจากอาวิชชาคือตัวความโง่ ตัวไม่รู้จึงเกิดมาเพราะฉะนั้นพวกเราได้พบทำคําสอนของพระพุทธศาสนาพบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าและวก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราพาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่ท่านผ่านไปกระดูกของท่านก็เลยกลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนั้นแสดงว่าท่านเป็นผู้หมด หมดจดจากกิเลสแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอันนั้นคือท่านเป็นเอกลักษ์เป็นเอกลักษ์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุนะอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แนละ้วควรจะค้นคว้าศึกษานศึกษาหาทางทำไมนั่นก็ ไม่ถึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารก่อนเราก็ควรจะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจหาบ้านพักที่พักพาอาศัยไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนเกิดอยู่ในกลางมหาสมุทรนั่นแหะจมมิดจมไหวจมมิดจมไหวอยู่นั้นาายยาหาฝั่งไม่เจออย่างน้อยก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมพอหายใจได้แล้วก็ลงมาเกิดอีก และกำปั้ญทานศีลภาวนาต่ออีกจากนั้นเกิดขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมอกีกเพื่อบำเพ็ญอันนั้นแปลว่าเรามีที่พักพ้าอาศัยแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่เกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอันนี้อยู่ในเหมือนกับมดแดงใตขอบกละมังอย่างกันนะมันอยู่ในอันเดียวกันแต่ที่แท้ เราก็คิดว่ามันใหม่แต่ที่แท้มันอันเก่าพระพุทธเจ้าว่ามันอยู่ในวัฏฏบุญนะมันเก่านะมันอันเดียวกันวนไปวนมาวนมาวนไปวนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะแะลรเพรามันตอหมดไตขอบกละมังเราคิดดูกันแล้วกันเดินทั้งวันมันก็บอกมันไปไกลพอแลนแต่ที่แท้มันอยู่ในขอบกละมังมันไม่ไปไหนนี้ก็เหมือนกัน วิญญาณจิตวิญญาณของมนุษย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเบียนไหว้ตายเกิดในวตตะสงสารแล้วเราจะทำอย่างไงเราต้องศึกษาเงี่ะที่หลวงพ่อเอาเครื่องฟังเอ3มสาให้เพื่อพวกเราจะได้ศึกษาสาศึกษาตามแนวแถวของครูบอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนอย่างไรแต่เราจะมามาฟังแต่ตอนเช้าจากหลวงพ่อพูด คงจะไม่พ อ, อแล้วจะอ่านหนังสือก็มีส่วนประกอบส่วนนึ่งเพื่อการศึกษาแต่เราจะไปฟังทั้งวันทั้งคืนอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันคือเราต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาว่าเราจะอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงอ่านสักวันหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วเราจะฟังเทศชัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงจากนั้นเราก็ ลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะฟังทั้งฟังทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะถ้าฟังทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันด้านใจมันด้านพอใจมันด้านแล้วทีนี้มันลดน้ําไหลเข้าเพราะมันฟังฟังจนเคยชินว่างั้นอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วก็ดับแล้วก็ฟังเป็นจิตวะลักษณะในการฟังแล้วก็จะอ่านหนังสือเราจะสนใจเรื่องไหน แต่โดยมากถาเว่าผู้ที่ไม่เคยในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือทำคําสอนของพระพุทธศาสนาเพราะอ่านหนังสือเข้าไปแล้วมันจะไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจเพราะเป็นศัพท์เป็นศัพ์บาลีและเป็นศับพ์พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศัพท์ำคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยมากจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าว่าฟังเทศคูบาลอาจารย์บางองค์พอฟังแล้วท่านก็ยกสัพท์ยกแสงมาอีกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอีก เรานั้นเราก็ต้องศึกษาศึกษาหลายๆครั้งฟังองค์นั้นบ้างฟังองค์นี้บ้างเนีวเมื่อฟังแล้วก็นํามาคิดไตรตรองเหตุและผลนี่แหละจึงจะรู้จักแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราจะเดินยังไงเราจะรักษาศีลอย่างไงเราจะนั่งภาวนายอย่างไรเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรเราจะพิจารณาอะไร ในหลักของพุทธศาสนาจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานะั้นคืออะไรพวกเราต้องศึกษาถ้าเมื่อศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ว่าจุดสูงสุดนั้นตรงไหนแล้วก่อนที่จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนั้นเราจะปีนป่ายอย่างไรต้องรู้จักวิธีการเดินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดนั้นเราจะเดินไปทางไหนเราจะปล่อยวางตรงไหนเราจะพิจารณาอะไร เราจะยึดตัวไหนเป็นหลักก่อนอันนี้เราก็ต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วพวกเรารู้แนวทางแล้วกันนะ่ะลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะของพระพุทธเจานะ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจตังอยู่แล้วผู้ปฏิบัติย่อมรู้จริงเห็นจริงรู้ได้ด้วยตนเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี่แหละขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่เขามาประพฤติปฏิบัติธรรม ให้ศึกษาให้ศึกษาเมื่อศึกษาจบแล้วก็ให้ปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆนะพอฟังเสร็จแล้วตัวเองว่าตัวเองรู้ไม่ใช่นะพอฟังนั่นก็คืออันนั้นเป็นเพียงแผนที่เท่านั้นเองมันเป็นเพียงแผนที่การเดินตามแผนที่ที่ท่านบอกเอาไว้นะถึงจุดสมาธิจิตสงบเป็นอย่างไรนะแล้วก็การพิจารณาวิปปัชนาเดินวิปััชนาเดินมากนะั้น เดินยางไรถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้แนวทางทีนี้จากนั้นก็เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราชอบใจเราชอบใจที่ว่าท่านพาเดินยังไงเราก็เดินตามแนวแถวที่เราได้ศึกษาหรือว่าเราผสมประสานกันก็ได้หรืออะไ น, นี้วิธีการเดินมกักเดินสมาธิเราชอบองค์นี้ แต่วิธีเดินวิวปัสสนานั้นเราชอบองนี้ท่านบอกวิปัสสนาชัดเจนเหลือเกินเลยวิธีการเดินวิปัสสนานีวิธีกา ร, ร, านะการทําสมาธินะี่เออองนี้ท่านบอกกุมาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาวนี่ท่านสอนดีมากวิธีการทําสมาธินะี่ยเรานี้แหละให้พวกเราศึกษาจากนั้นก็ลงมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังนะเกิดมาสุดท้ายภายหลัง เราไม่ได้เกิดในยุคพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าอันนั้นบุญบา ร, รมีเรียกว่าบุญบา ร, รมีเก่าของเราที่บําเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติพอมาถึงยุคนี้มาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าท่านขึ้นบนทำ ม, มาศระวัฒนั่งท่านนั่งแสดงธรรมท่านก็กวาดญาณรัชนะกวาดญาณทัศนะเหมือนกับกวาดเรดาร์ไปไงเวียงเรดาร์ไปเรื่อยใคร วิญญาณไหนท่านผู้ใดมีบุญบารมีเข้ามาในจอเข้ามาในพยานคือเข้ามาในเครือข่ายพระพุทธองค์ก็รู้แล้วนี่เขาจะได้สำเร็จไหมเนี่ยโอเคจะได้สำเร็จพระสูดาพระสกทาคานาคาวันนี้มีกี่คนจะได้สำเร็จนะท่านก็กวาดดูแล้วท่านเหล่านี้เขาชอบทําบทไหนเขาชอบทําอะไรทำบทไหนเขาจึงจะได้สำเร็จมรรสสำเร็จผล พรพุทองค์ก็ได้แสดงธรรมตามที่อุปนิสัยท่านเหล่านั้นจะได้สําเร็จมรรคผลแต่คนอื่นที่นั่งฟังบางทีก็ไม่รู้เรื่องหาว่าคาวายไปงั้นแต่ผู้ที่เข้าใจนั้นแปลว่าดิ่งทันทีเลยเหมือนกันเถอะบอกพูดถูกจุดตโดนงั้นแหละแสดงถูกจุดตัวเองต้องการฟังจุดนั้นอยู่แล้วะพอตั้งนั้นก็ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็ได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลแปลว่าจบ แต่ว่าเทศครั้งนี้ผู้ที่ได้สำเร็จพระโสดาบันมีเท่านั้นสักขามีเท่านั้นอนาคามีเท่านั้นพระหรหัสมีเท่านั้นทั้งที่แสดงธรรมในเทศกันเดียวกันเดียวกันแต่ผู้ได้สาเร็จนั้น แ, แตกต่างกันนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ท่าทว่าท่านจะได้สําเร็จเป็นพระหรหัสนในการฟังในครั้งนี้พระพุทธองค์ก็เน้น แต่เฉพาะคนนั้นคนเดียวนะแต่บางครั้งหลวงพ่อเขาว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านเน้นจุดหนึ่งแต่ก็ทําให้คนหนึ่งเสียอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะทําไมผงพ่อได้ศึกษาแต่อาจจะคนรุ่นใหม่เขาอาจจะเขียนหรือว่าแต่งตําราให้จุดตรงไปข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งก็ได้แบบนั้นแต่เราก็ไม่กล้าที่จะพูดไปอย่างนั้นแต่ทําไม่จริง ที่เราได้ศึกษาดูแล้วโอ้พระพุทธเจ้าบางทีพูดเด็ดแต่ได้คนหนึ่งแต่คนหนึ่งเสียตกนรกตกเอเวจีนรกไปเลยคนหนึ่งเข้านิพพานไปเลยว่างั้นมีเรื่องอะไรหลวงพ่อพออธิบายแย้มให้ฟังได้ไหมไี่ว่าอีกพระพุทธเจ้าไปเทศให้พรามพรามสองตายายสองตายายมีลูกสาวอยู่คนแต่พรามเนี่ยไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้เกิดความเคารพเดิมเมใส เพราะท่านเคยเป็นพ่อของพระพุทธเจ้ามาถึงห้าร้อยชาติเห็นน้เกิดความกังวลโรเรื่อนใสแต่นี่ก็ไปชวนพราหมณ์ีฟังแล้วก็สวนลูกสาวมาด้วยเถอะนี่ลูกสาวก็เป็นลูกสาวสวยงามที่สุดแกคิดว่าพราหมณ์คนนะี้คิดว่าจะไม่มอบให้ลูกสาวให้แก่ใครเนี่ยเพราะถ้าว่าไม่ถูกใจเหมือนกัพอไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุรีสาลักษณะสวยงามมากมหามรุษพูนี้สมควรแกร่ลูกสาวของตนเอง ก็เลยพามาพามามากล่าวพอพุทธาเจ้าก็หลวงพ่อพูดอย่างลวกลัดนะพอกล่าบเสร็จแล้วพระพุทธองค์พราหมณ์คนนั้นก็เลยบอกว่าจะมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาพุทงิไงอย่างนั้นแหละพะพุทธายเจ้าจะเหรอโอ้พะพุทธายเจ้าได้สําเร็จเป็นพระพุทธาเจ้าแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงท่านก็ไม่สนใจท่านก็บอกว่าเนี่ย ร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นอสุภะปฏิกูลนะเกิดแก่และเจ็บแล้วก็ตายร่างกายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่นั้นนะขนาดมือเราก็ยังไม่จับแล้วขนาดตีนเอาเรายังไม่ยังไม่อยากจะให้แต่อีกเพราะร่างกายเนะี่ยมันเป็นอสุภะปฏิกูลทั้งหมดพูดลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศลักษณะอย่างเงี้พราหมณ์สองตายายเพราะท่านมีบา ร, รมีอยู่แล้วนะท่านไม่เป็นพระอนาคามีแต่ลูกสาวของพราหมณ์เนี่ย ส ม, มณะโคมุมถึงจะไม่รักไม่ชอบเราก็ไม่น่าจะพูดตําหนิถึงขนาดนี้ขนาดตีนก็ยังไม่ไม่มาแตะไม่ยังมาอยากจะมาแตะร่างกายของมนุษย์นะเกินไปใช่หรืเอาละข้าพเจ้าจะจัดการกับส ม, มณะโครุมนะผูกอาคาดนี่แหละธรรมเทศนาการเดียวพูดให้ฟังเท่านั้นนะพราหมณ์สองตายายได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีต่อมาทัก็ได้สาเร็จมรรคผลแต่ ลูกสาวนะต่อมาก็ไปมอบให้เป็นพระเจ้าปัญญาของพระเจ้าอุเทนผลนิชกับผอบุกผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนเผานางพระกรมเหสีคนที่หนึ่งผลนิชกันน่ะตกอเวจีมหานรกนี่แหละสรุปแล้วก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดตามความเป็นจริงแต่ผู้ที่ฟังในขณะที่ฟัง ซึ้งในจิตใจได้สําเร็จมักสําเร็จผลแต่คนอีกคนหนึฟังพอฟังเข้ามาแล้วโอ้โหเป็นการดุ่งผูกเกียดหยามอย่างแรงนี่แหละธรรมเนี่ยใกล้ๆก็ว่าจุดแท้แต่ใครจะน้อมนํามาพิจารณานํามาคิดนึกเมื่อนํามาคิดแล้วมันเป็นธรรมนะพูดอะไรท่านเป็นธรรมถ้าเราเชื่อในคนพูดองค์พระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นธรรมก็จกเพียงแค่นั้นแต่ทางวัจจัยของเรายังไม่เชื่อนะ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมความผูกพยาบาทอาคาดมันเกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะกิเลสนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังเหมือนกับใจของเรานะบางครั้งใจเป็นหมาบ้าท่านไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยพอได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ดูถูกพระพุทธเจ้านะดูถูกพระสงฆ์ดูถูกครูบาอาจารยนะ์ทั้งที่ท่านไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าท่านอีกต่างหากตัวเองไปกัดละ่ะนั่นแหละประเภทอย่างนี้คืออะไร ประเภทกิเลสหมาบ้านะมันอยู่ในจิตใจของเราไม่เท่าไหร่ได้ประมาทท่านแล้วเพราะท่านก็ไม่ได้ทําอะไรให้แก่เราทําให้เราเราเจ็บช้ําน้ําใจก็ไม่มีเพียงจะได้ยินชื่อเท่านั้นแ่ะก็ดูถูกละดูถูกคู่คนละนะ่ะนี่แหละอันนี้มันมีนะอันนี้ปเปิดบอกกิเลสประเภทหมาบ้างับไปเรื่อยเท่านั้นนะกัดไปเรื่อยกัดดะไปเรื่อยทามากัดใกลๆหลวงพอ่อหลวงพอ่อจะเอาสันมีดเนะลาะฟันเลยเท่านั้นะ เอาหลับผ่อนนะทนนี้นะ